เราจะได้ทำกันต่อหลังจากที่ในส่วนของคำว่เช้าในส่วนจะเริ่มถึงคุณพระพุทธะธรรมประสงค์นะแล้วก็ได้เข้าใจความหมายของความเป็นไปความคันทั้งข้างมันมีความไม่เทีย่ยงความเป็นทุกข์ไม่มีสภาวิที่บังคับไม่ได้ไม่ที่ตัไม่ได้นตนอย่างไรนะ จิงพื้นเจ้าทนานอธิบายแจกแจงให้เราเห็นถึงคุณสมบัติของมันอย่างแท้จริงนะจนกระทั่งเราเห็นว่าเป็นแบบนี้ของมันเองแล้วก็เกิดเรียกว่าความเรียกว่าเดือดหนรงชัยสำนักไม่ยึดมั่นถึงมั่นในยแต่ของัดนนี่เป็นสิ่งที่คาสอนโดยย่อที่จริงธรรมะในการสรวจมนี้ก็ถือว่าเป็น บทธรรมะย่ยอยๆถ้าเราเอาไปเริ้นปฏิบัติเอาไปใช้จริงก็ก็สามารถทำได้เพราะการฝึกตาธรรมะแม้พระเตดีย์โดจะมีถึงแปดหนึ่งสี่พันระธรรมขันธ์นะคือประมาณแปดหนึ่งสี่พันเรื่องนกันมันมันดูเยอะมากมายนะแต่จริงการฝึกษาธรรมะไม่จำเป็นต้องศรรึกษา ถ้าใจปีติถกทั Actually, ้งหมดไม่จำเป็นต้องรู้ถึงความรู้ของโคตรฤทธเจ้าทั้งหมดเรากินแค่หยิบมันใช้แค่บางส่วนที่เราว่าเห็นว่าเป็นการเป็นไปที่ออกจากความทุกข์ได้เป็นไฟที่การดับทุกข์ได้แค่นั้นพอครเหมือนสมมุติอาหารในโรงแรงจากเป็นแบบทุกเลยเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปเลือกกินทั้งหมดทุกอย่างกินทั้งหมดก็ไม่ไหว ท้องแตกนะเราก็เลือกแค่สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับตัวเราเองนะฮแล้วก็กินแค่พอประมา น, นะแค่จานสองจานก็พอแล้วธรรมะของพระพุทธองค์ก็เหมือนกันนะไม่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องศึกษานะทั้งหมดแปดหมื่สี่พันเรื่องนะแต่เราแค่เลือกอีกเรื่องออที่มันเป็นความจำเป็นเอาไปใช้ในการดับทุก ข, ข์ของเรารก็พอแล้ว แต่มางทีเพื่อแบบนี้มัเหมือนเราก็ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอะไรที่จำเป็นบ้างเรื่องไหนมันดีแต่จะเรือกแบบไหนดีนะมันก็เป็นเรื่องที่ที่ยากสําหรับบางคนเพราะว่าไปแต่สํานักแต่ละที่แต่แต่ผู้บายการทีท่านก็อบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ถูกต้องทําแบบนี้ก่อนบางทีบางคนก็บอกว่าเออต้องเริ่มต้นจากการทําทานก่อน พเราชาวพุ้นจะเพิ่งไปสนใจเรื่องวิมุตต์เรื่องทาทานก่อนก็พอชาวพุทธเมืองไทยส่วนใหญ่คือว่าทั้งโลกกันวาไรก็เป็นชาวพุทธที่ถนัดในการทาทานมากกว่าติดอื่นทําบุญตัก บ, บาตรถวายสังฆ ท, ทาหรือว่าบริจาคตามโอกาสาตา่างๆก็ไม่ใช่ปฏิเสธว่ามันไม่ดีนะก็ดีนะแต่บางที่เขาเน้นตรงนี้มากเกินไปจนทั้ง เกิดความหลงวงง่าทำเงินทาทางจกนกระทังเรียกว่ากู้หนี้ยิมสินมาทํางินทาทานก็มีนะทำทานแล้วเกิดความเดือดร้องกับตัวเราเองเกิดความเดือดร้องกับคร อ, อบครัวก็มีซึ่งมันไม่น่าจะใช้วิธีของการทำทานที่แท้จิตนะหรือบางที่ไปจะเน้นต้องรับษารสินอย่างเขร่งครับะจะเป็นสะินห้าเป็นสินแต่หรือไม่แต่ ถ้าเป็นพิสูจน์สมก็ต้องรักษาศีลก็สายวินัยให้เข้มขลาบนะต้องทําตรงนี้ให้ดีก่อนอย่างอื่น อ, อี่ยเพิ่งทำนะทำตรงนี้ให้มันเข้มขลาบให้มันดีก่อนนะบางทีก็เน้นไปเรื่องของสมาธิ น, ะนกําหนดจิตให้เป็นสมาธิอย่างเดียวทําไงก็ได้ให้จิตเป็นสมาธิเพ่งอะไรก็ได้นะหรือว่าต้องนั่งนิ่งๆหลับตา ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องรับรูส้สังตาหูจมูกอะไรตา่างๆให้เน้นตรง น, นั้นแต่บางที่ก็เน้นแบบเอาปัญญาอย่างเดียวอื่นๆไม่ต้องสนใจเอาแต่ปัญญาเดี๋ยวปัญญาพาทุกอย่างมาเองประมาณนั้นก็มีบางที่ก็จะเน้นแบบขบคิดศึกษาธรรมะให้แต่ช้างหรือว่าอธิบายเรื่องสภาวธรรมตาม่งตางๆมากมาย ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเดี๋ยวมันรู้เข้าใจคิดได้นลก็ออกจากความทุกขได้ออเองะบางที่ก็มีการเน้นแต่การเป็นไปในส่วนของข้อธรรมะในส่วนของการปฏิบัติมันมีหลายอย่างที่อาจจะแตกต่างกันแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่มีปัญญาศึก ษ, ษาดีๆเราก็ผมเคยอคลองหัวลอ ง, ลองคิดกันมาพอสมควร เคยเข้าวัดเข้าวาให้อ่านคือสัมมากเกตุปปุโปรควรก็ผมต้องใช้วิจินญาณของเราในการตัวเองว่าอะไรมเป็นไปเพื่อความเจ็บทุกข์อะไรเป็นไปเพื่อความดับ ก, กิเลสอะไรเป็นไปเพื่อป ร, รินิพานเพื่อพระนิพานอันนั้นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าท่าสอนท่านให้หลัให้เราเป็นไปเพื่อสรุป ต, ตรงนั้นอะไรถ้าทําไปแล้วเป็นไปเพื่อลดรักเลิกกิเลสอันนั้นจะใช่ใช่แล้ว อะไรเป็นไปเพื่อความสงแบแบต่ไม่ใช่สงบแบบสงบนี้สงบเพราะว่าเรามีความฝึกมีความไวใจที่ได้ทำตรงนั้นแล้วจิตใจก็เกิด ค, ความสงบไม่รุ่นรายไม่สับสนนีแล้วอะไรเป็นไปเพื่อปัญพานเป็นไปเพื่อปัญพานก็คือเป็นไปเพื่อความรู้เท่าทานของสังขารรู้จักสังขารคือร่างกายแล้ ก, ก็จิตใจอย่างแท้จริงเมื่อเรารู้จักตรงนั้นมันเกิดปัญญาแล้วก็เกิดความเข้าใจ ก็เป็นไปเพื่อให้ถึงนิพพานคือความสงบเย็นนะอันนี้คือสิ่งที่พระยาคัจจศอันนั้นที่เราเคยทำกันมาหรือเราเคยเรียนรู้กันมาหรือที่ต่างๆก็บอกกันมามันก็เป็นสิ่งที่ถูกแล้วนะถูกแล้วนะแต่คราวนี้อะไรที่มันจะเป็นไปเพื่อโดยย่อๆนะแล้วก็ทําได้เรียกว่า ทำได้เฉพาะเวลาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สาคัญเพราะว่าบางเรื่องบางราวมันทำมันทําได้เพราะว่ามันมีบรรยากาศแนบล้อมที่เอื้ออานวยบางเรื่องบางราวมัต้องมาใส่วัตถุสิ่งของในการให้ทางในการทําความสงบก็มีบางทีต้องมาใส่บรรยากาศนะหรือบางเรื่องบางราวก็ต้องมาศัยสิ่งต่างๆมากมายม า, าคิดพิจรารณาแต่มันมีหนทางมีหนทางหนึ่งที่พุทธองค์ก็อบอกว่า เป็นหนทางเอกสู่ความสุดพ้นถ้าบอกว่าสติปัฏฐานสี่เป็นเอกับมัคคุเทศก์ทธิยาก็คือเป็นทางเอกสู่ความวิมุตตดพ้นอันนี้เป็นเรื่องที่พวกท่านตัดไว้เองเลยว่าหนทางเัวนี่ยเป็นทางที่จะออกจากความทุกข์ได้ทางเอกก็คือเป็นทางหลักเป็นทางหลักไม่ใช่ทางสายเดียวแต่เป็นว่าเป็นทางหลักซึ่งทางอื่น ต้องมาประจบบททางหลักตรงนี้นะเหมือนถ้าเราเดินทางจากชียงฟูจะเข้าไปที่กรุงเทพนะมันจะเข้ามาจากด้านไหนก็แล้วแต่ก็้ามาจากอำเภออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องเข้าถนนมิตรภาพนะแล้วก็ต่อไปเนี่นพยพระหฤที่พิพาณีต่อไปก็เข้าสู่กรุงเทพได้อันนี้คือมันเป็นทางรลู่ที่ต้องไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นการจะทาทางไปในรักษาศีลก็จะทําสมาธิ อันนั้นก็ถือว่าเป็นทางทางทางสายรองซึ่งจะนําเข้าสู่ทางหลักก็คือทางาการเซ็นสติตรงนี้แต่ถ้าเราสามารถเรียนรู้เรื่องการเซ็นสติตได้โดยตรงเลยมันก็จะเป็นทางที่รัดตรงลงมานเพราะว่าทางตรงนี้บางทีไม่ต้องไปรอว่าจะต้องทําทางใี้สมบูรณ์เหมือนพระเมศจรนย์ชาดกนะที่ตลาดทุกสิ่งทุกอย่าง ทรับสิบเงินทองลูกเมียอะไรต่างไม่ไม่ไมจำเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้อันนั้นที่ท่านทำเช่นนั้ว่าท่านบางเพ็ญบา ร, รมีเป็นโพธิสัตว์เป็นบา ร, รมีเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งต้องอาศัยเรียกว่าบา ร, รมีที่มันใหญ่นะกว้างสามวัภูมินะภูมิที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในมันมันต้องอาศัยใหญ่กว่านะมันคล้าย จะเก็บเงินซื้อสมมุติรถเบนซ์นนะ่ะมันหลายล้านหลายสิบล้านเนี่ยบางนะทีเรามีเงินห้าแสนแล้วที่จริงมันก็สามารถซื้อรถธรรมดาธรรมดาก็คือได้แล้วแต่คนที่เก็บเงินที่จะไปซื้อรถชันใหญ่เขห้าแสนมันยังไม่พอมันต้องเก็บมากกว่านนะั้นต้องเก็บให้ได้สิบล้านยี่สิบล้านถึงไปซื้อทีเดียวบารมีของที่พระพุทธเจ้าบางเทนก็เป็นเช่นนั้นท่านจะเป็นสะสมบารมีแบบก้อนใหญ่ ถึงจะไปสาเร็จตรงนั้นได้แต่ในสาวกภูมินะในภูมิที่เรียกว่าเป็นผู้เดินตามตเขาพุทธเจ้าไม่จะเป็นต้องเรียกว่าสะสมมากขนาดนั้นก็ได้นะเหมือนเราต้องการที่จะเพียงแค่ได้นั่งนะรถคือตนเองหรือว่านั่งรถประจทางไปแบบนี้ก็ได้นะไม่จะเป็นต้องมีรัเป็ของตัวเองแค่มีเงินซื้อตั๋วก็สามารถเดินทางถึงกรุงเทพได้เป็นเช่นนะั้น การที่เราไป็นผู้เดินทางตามรอยของพระพุทธเจ้าเสมอกันเราไม่ต้องไปเสียเวลาในการค้นหาทางใหม่เพียงแต่ว่าเรามาศึกษาทางที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้ให้กับเราในแหละให้มันชัดเจนแล้วก็เดินตามรอยนั่นแหละเหมือนกับสมัยก่อนไม่มีถนนหนทางจะเข้าไปที่ต่างๆก็ต้องมาใส่เรียกว่าตัดทางกันเองะคือเดินตามทางเล็กๆแต่สมัยนี้ไม่มีหนทางชัดเจนละ ก็ใส่ทางที่เข า, างัดแหลกเดินไปไม่ลำบากนะอันนั้นสิ่งที่เป็นปัญญาของพระเจ้าท่านท่านตัดทางท่านค้นหาทางมาเป็นปัญญาที่ต้องมาใส่กาลังใส่วาลีเยอะแต่พวกเราไม่จําเป็นต้องนารนั้นทางที่พระเจ้ญญาท่านบอกไว้เนี่ยสติปัฏฐานสี่เป็นทางใสาเองสือความรู้สุดพ้ น, ษษษนก็เลยเป็นเรื่องที่พวกเราควรจะต้องสื่อสาแล้วก็ทําความเข้าใจที่ดี ถา้าทางตรงนี้จะเป็นทางที่พวกเราจะออกจากความทุกข์ได้จากการที่เดินตามรอยของพระพุทธเจ้านี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้บอกว่าสติปัญญาสี่เนี่ยก็คืออะไรเรื่องกายเวทนาจิตธรรมนะการที่เรามีสติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจําถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อันนี้เรื่องของกาย เวทนาก็เช่นเดียวกันเห็นเวทนาในเวทนาหยุเป็นประจําถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เห็นจิตในจิตหยุเป็นประจําถอนความพอใจและความไม่พอใจในจิตออกเสียได้เห็นธรรมในธรรมหยุเป็นประจําถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ถ้าดับความเลยดีอ่าตรงพสูตรนี้มันมีอยู่สองส่วนซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญ คือการเห็นการเห็นกายในกายก็ดีเห็นเวทนาในเวทนาก็ดีเห็นจิตในจิตคือเห็นธรรมในธรรมอันนี้คือส่วนของภาพที่เรียกว่าเป็นการทำเหตุเป็นการทำเหตุให้ถูกก็คือการเห็นเห็นทั้งสี่ส่วนนีอย่างแจ่มแจ้งเห็นกายเค่นกายเคลื่อนไหวกายหยุดนิ่งอันนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายแต่มันยังไม่ใช่การในกายอยแท้จิต มันจะเป็นเพ็ยงแค่กายน่ะภายนอกซึ่งเคลื่อนมันไหวมันหยุดมันนิ่งเราเห็นจนกระทั่งเห็นถึงความเป็นธรรมชาติแท้ของของกายนี้หรือว่าของโลกนี้เห็นลงไปนะตอนนี้มันเห็นกายมันเคลื่อนมันไหวมันหยุดมันนิ่งมันปวดมันเมื่อยนะเห็นเจนกระทั่งลงไปเรารู้ซึ้งถึงว่ากายนี้มันเป็นทุกอย่างไรมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร มันมีสภาวะที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยบังคับคนช้าไม่ได้อย่างไรก็คือเห็นลงไปเรื่องซื่อปบถือสภาวะที่เรียกว่าเป็นพระไตรักของกายอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการเห็นกายเห็นกายเี็นกายอยู่เป็นประจักคือเรามีสติคอยตามเห็นกายแต่ถ้าเข้าใจความความหมายที่ต้ออยู่ในกายอย่างนั้นแหละอันนี้คือพูดให้พวกเรา เห็นว่าชิ้นจริงการเตืนสติตัวนี้ยมันไม่ใช่เพียงแค่เคลื่อนไหวไปแล้วก็รู้ไปเคลื่อนไหวไปแล้วก็รู้ไปแต่มันจะมีความรู้ตัวนี้ที่ตามเข้ามาคือความรู้ในพระไตรลักที่เข้าใจในเรื่องของกายเมื่อเข้าใจในเรื่องตัเนี้นมันก็เกิดความถอนถอ น, นะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโรคของเสได้ก็คือมันเกิดผลเมื่อมันเข้าใจเรื่องพวกนี้เห็นเรื่องพวกนี้อ ย, อย่างเฉ่ยงชัดแล้วมันก็เกิดผลในการถอน ความพอใจและความไม่พอใจในโรกคืออะไรโลกนี้ไม่ใช่โลกอ่าดาวเคราะห์ตัวนี้แต่โลคนี้คือถอนความพอใจในการโลกคือร่างกายและจิตใจของเรานี่แหละนมันถอนความพอใจแต่ก่อนเคยสําคัญต่นหมายยึดกายนี้ว่าเป็นสัจธรรมยึดกายนี้เป็นของสวยงาม เสื่อาเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ภายนอกที่จะไปให้คนอื่นพอใจนะว่าเราสวยว่าเราหลอว่าเราแข็งแรงอะไรเพว่าเราไปอันนี้คือเราก็ไปลองในในรูปกายของเราเองนะแล้วบางทีเราก็ไปลองในรูปกายของคนอื่นเช่นเดียวกันเมื่อเราเห็นความจริงของกายแล้วมันก็ไม่ดองในรูปกายของเราเองไม่ดองในรูปกายของสิ่งอื่นวัตถุอื่นเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่เห็นแจ่มชัดว่า กายเราก็ดีกายคนอื่นก็ดีกายตัดอื่นหรือวัตถุอื่นก็ดีมันตกอยู่ในธรรมชาติเช่นเดียวกันมันมีความเป็นทุกข์มันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีอาการที่บังคับไม่ได้มันเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันเมื่อไรที่เราไปยึดเมื่อนั้นเราก็ทุกข์เมื่อไรเราไม่ยึดเมื่อนั้นมันก็ไม่ทุกข์มันก็เกิดปัญญาการเข้าใจว่าอ๋อธรรมชาติของการเป็นเช่นนี้เนี่ยเราจะระเสติไปเรื่อยๆในส่วนของกายานุปัฏฐาน มันจะเกิดความเข้าใจตรงนี้นะเกิดความเข้าใจเรื่องกายชัดขึ้นเรื่อยๆนะเวทนาก็เช่นเดียวกันความสุขความทุกข์หรือว่าความเฉยที่เกิดขึ้นนะจิตตาในปัตนาก็เช่นเดียวกันอาการที่เกิดขึ้นกับจิตจิตเป็นปกติเป็นเช่นไรจิตที่ผิดปกติเป็นเช่นไรนะมีร่างมีโรคมีปวดมีโลมมีพุ่งต้างมี อะไรต่างๆปิติมีสุขอันนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตนะมันเห็นเหมือนแท้ๆเล อ, อจะเป็นความสุขความทุกขความเฉยหรืออาการที่เกิดขึนามมา้นกับจิตหนะรือแม้จะทําราะลมที่เกิดขึ้นกับจิตใจนะเป็นกระบวนการธรรมะที่เกิดขึ้นที่สแสดงความเป็นไปของจิตต่างๆเช่นเดียวกันสิ่งเรื่องหนึน่งนี้จมาพูดโดยรวมว่าเป็นเรื่องของนามธรรเป็นเรื่องที่ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยตามไม่สามารถจับต้องได้ด้วยมือ แต่เป็นสิ่งที่สามารถ ร, รู้ได้ด้วยใจนะเราอาศัยตัวรู้เป็นตัวรู้สภาวะนี้นะสภาวะอาการที่เกิดขึ้นกับใจมันมีอะไรที่มาย้อใจให้สังเกตตรงนั้นนะหรือถ้าจะเปรียบเทียบแบบให้ชัดขึ้นมาสักหน่เปรียบเทียบ น, นะไม่ใช่อาจจะไม่เหมือนของจริงสมมติใจเราเปรียบเหมือนกับร่างกายของเรานะเป็นเนื้อเป็นหน้ำเป็นกระดูกเป็น ธรรมดาเหมือนเราเกิดมาใหม่ๆไม่มีเสื้อผ้ามันปจัจจัยอาภรณ์ปัจจัยการประดุมแต่ง ต, าตา่างๆไอเสื้อผ้าที่เรามาใส่ตั้งแต่เด็กจนถึงโตมันก็เปลี่ยนเป็นลุกขีชุดมันก็ไม่ต่างจากอารมณ์ที่มันมามนเรียกว่ามาครอบสวนจิตใจเราไม่รู้กี่อารมณ์ใช่ไหมรักโกรธหลงจิงชังพยาบาชาธาติแค้น สุขใจใจดีใจบุญพวกนี้มันก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่มาสวมใส่มาทับมาทับร่างกายเราอารมณ์ก็เช่อเนอย่างกนะันเป็นแค่อารมณ์ที่มาสวมใส่มาทับจิตใจก็เท่านั้นมันไม่ใช่จิตใจที่แท้จริงนะมันเป็นเพียงแค่อากาศที่เกิดขึ้นกับจิตใจถ้าเรามีปัญญาเห็นเรื่องต่นมไปว่อ๋อที่ทําไมคนศึกษานะเรื่องของ น, นมามธรรมเรื่องของจิตใจเพื่อใหเพื่อเห็นว่า ธรรมชาติที่แท้จริงของจิตใจมันไม่ได้เป็นอะไรมันบอยสุดมันธรรมดาอยู่อาการที่เกิดขึ้นกับจิตจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโรคปวดลมอะไรต่างๆก็ดีมันเกิดขึ้นมาช่วงฟังช่วงคายแล้วก็หายไปเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยเช่นนี้มันถึงเกิดขึ้นมันดับไปเพราะว่ามีเหตุปัจจัยเช่นนี้มันถึงดับลมมันไม่สามารถทำรงคงที่อยู่ได้หรอกมันเป็นเช่นนี้ของมันเอง ถ้าใจิตใจเรามีสภาวะที่เห็นที่ดูเย็นเฉมันก็จะเกิดความตั้งมั่นนะมันก็เป็นเหมือนคนใจเย็นะรอได้ไม่เป็นไรตอนนี้ความโกรธเกิดขึ้นนะก็ใจเย็นเพราะมันรู้ชัดว่าสัปป ะ, ะความโกรธว่จะหนักไปความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็ใจเย็นก็สงบดได้เพราะมันรู้ว่าสัปปะความทุกข์ก็ต้องดับไปแน่นอนนี มันมีธรรมชาติที่ที่ดูชัดเช่นนั้นเหมือนกับเราหายใจนะเมื่อเราหายใจออกเราก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวเราก็ต้องหายใจเข้ามันเป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องไปกุลกบรานใจนะเราไม่อยู่สภาวะที่ใครอยากตายเพื่องทางการหายใจการหายใจของเราก็เป็นปกตินะก็คือก็มันออกแล้วก็ไม่เป็นไรออกแล้วเดี๋ยวก็เข้าใหม่ความคุกข์เกิดมา ใจก็เป็นคือเป็นปกติอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เรียกว่าความทุกข์ก็ต้องผ่านไปสักวันหนึ่งนะที่จริงไม่ต้องรอสักวันหรอกนะฮะที่จริงความทุกข์แค่รูท้ทันสักพักมันก็ผ่าไนไปหลับไปตรง น, นี้เลย <S <S จิตที่มีสตมิมันจะเป็นจิตที่เห็นตรง น, นี้นะฮะดังนั้นการเจอสติก็เลยเป็นเรื่องที่เรียกว่ามีอันสมใหญ่ในการที่ทำความเข้าใจเรื่องของร่าง ก, กายก็ะิตใจจะจทั้ง ระนาดถอนความพอใจและความไม่พอใจทั้งในเรื่องของรูปแล้วก็เรื่องของนามหรือว่าเรื่องของกายเรื่องวองใจได้ยากเรียกว่าเด็กขาดในจุดโดยงี้มันถ้าจะพูดถึงเรื่องการฝุกสตินะมันก็จะมีเรียกว่ามีสิ่งหลา ย, ลายๆอย่างที่ช่วยให้พวกเราประสบความสําเร็จในการเจริญสตินะเพราะบางทีพูดคำว่าสติมันก็เหมือน คนไทยบอกว่าเราเข้าใจเรามีสติเราไม่ได้เป็นบ้าเราไม่กกได้เป็นโรคจิตไม่โรคประสาทเรามีสติอยู่แต่สติที่คนไทยใช้เป็นสับปะรดไทยนะมันแตกต่างจากสติในแบบของภา ษ, ษาบาลีหรือแบบที่พระเจ้าใช้นะของเราสติมาใช้แบบเรื่องพื้นๆนะไม่หลงไม่ลืมก็เรียกว่ามีสติไม่เมาเมาแล้วไม่ขับนะ ก็นะ เ, เรียว่ามีสตินะอะไรตา่างๆไม่ไปงงลงว่างบ้าเรียว่ามีสติแต่จริงสติพวกนั้นก็เป็นสติแบบเรียกว่าเป็นสติแบบโลกโลกนะแต่แท้จริงแล้วสติในทางธรรมะคืออะไรสติคือความระลึกได้นะมันประกอบเป็นความระลึกได้นะระลึกถึงอะไรระลึกถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ใช่ไประลึกเรื่อ ง, องาดีนะไปคิดได้ว่าตอนเป็นเด็กเราทําอะไรบ้างนะ จำความได้คงไมเคยเป็นไงอันนั้นเป็นการระลึกแบบอาศัยสัญญาความจําแต่ตัวสตินี่คือความรู้ลึกถึงอารมณ์ในปัจจุบันตัวนี้เช่นตอนนี้เรานั่งอยู่ระลึกได้เลยว่ากำลังนั่งอยู่ยกมืออยู่ก็ระ้ึระลึกได้ว่าตายกำลังยกมืออยู่จิตใจรู้สึกแบบไหนบางคนง่วงนอนคมซึมเศร้าก็ระลึกได้เลยว่าตอนนี้ใจง่วงนอนหรือซึมเศร้าอยู่บางคนใจกระพี่กระป๋องสดชื่นดี ก็รู้ได้ระใจระเน้นระรังกระพี้กระเปล่าสดชื่นดีระลึก อ, อะไรก็ได้ที่มันเป็นสภาวะจริงในปัจจุบันจะเป็นเรื่องของรูปเรื่องของนามก็ดีถ้าตญญาิคือความรู้ได้ถ้มามันฟอมั น, นรู้รู้ได้มันจะเกิดความรู้ว่าสัมปชัญญะที่ความรู้ตัวคือระลึกได้ว่าอาการของการของใจอันนี้เป็นเช่นไรก็คือเกิดความรู้ตัวขึ้นมาอ่ารู้ตัวแบบไม่ใช่แค่รู้ว่าอันนีนเป็นตัวเป็นตัวของเราแต่มันรู้ตัวแบบเรีว่ามันตื่นตัวออกมา เน่ยเป็นสภาวะที่ว่าตื่นตัวตื่นออกจากความหลงอ่ามันเห็นว่าตอนนี้มันมืนมม่อถึงล่วงนอนคืนเสาร์พอมันระลึกได้มันตื่นออกจากความม่วงนอนอ ข, นอนขนึ้นมาคล้ายเหมือนสภาวะที่เราจมน้ําลงไปมันรู้ตัวว่ามัานจมน้านไปมันจะตายมันก็ฉีดตัวเองขึ้นมาจากน้ำมันโผล่ขึ้นมาสภาวะที่เระลึกได้มันจะเกิดความรู้ตัวเช่นนั้นมันจะถอนออกมาจากความทุกข์ ช่วขนาดแค่เดียวนะออกมาแล้วแต่มางทีถ้มันหลงตัวขึ้นมาใหม่ก็คือมันดื้อมันดื้อตัวมันระลึกไม่ได้มันก็จมลงไปในน้ําเหมือนเดิมเหมือนกับเราบางทีก็ไม่รู้ตัวนะคำว่าหรือว่าขาดปกติก็คือเนี่ยขาดการรู้ตัวขาดการระลึกได้ว่าตอนนี้เป็นอะไรขาดที่ขาดไปก็ขาดไปอยู่กับตรงไหนขาดไปอยู่กับความคิดบ้างขาดไปอยู่กับอารมณ์บ้าง พาไปสกงจิตออกข้างนอกบ้านอันนี้คือความระลึกไม่ได้อันนั้นจะติดสัมปัจญญะให้ความหมายของธรรมะคือไม่ใช่ระลึกเรื่องอื่นคือระลึกได้เรื่องของการแล้วก็ใจนี้นะไม่ใช่ไปเห็นข้างนอกนะแต่เป็นการเหตุข้างในนะเป็นการเห็นใจอย่างแจ่มแจ้งอย่างเด่นชะัดแล้วก็ที่สําคัญเป็นการเห็นในใปัจจุบันไม่ใช่เปเห็นในอดีตหรือเห็นในอนาคตนั้นการระลึกได้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราสามารถจะเลือกได้่กับเวลาก็ปัจจุบันเราไมีตลอดเวลาปัจจุบันเป็นเวลาที่เรามีจริงอนดีตอนาคตไม่มีจริงนะใครสามารถย้อนอดีตได้มีไหมใครสามารถไปอนาคตได้มีไหมมีแต่เราอยู่กับตรงนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นนั้นบ่อยพวกเราคนก็เรือกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใบ่อยแค่เนี้ยพอละเราอยู่กับปัจจุบัน แต่บางคนก ary, mm. Arrow, follow, solar, ็เข้าใจความหมายเพาะว่าอยู่กับปัจจุบันผิดนะเช่นสมมติตอนนี้สมมติปกดหักนะสมมติซึมเศร้าปกดหักบางคนก็จะขออยู่กับอาการซึมเศร้าใช่ไหมบางทีดีใจมากๆก็จะขออยู่กับาการดีใจสุขใจมากๆก็จะขออยู่กับอาการสุขใจนะหรือว่าเฉยเฉยเฉยเฉยซึมซึมเมื่องนอนขออยู่กับเ่องนอนดีกว่า ได้ว่าอยู่กับปัจจุบันนะอันนั้นไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันนะนะอันนั้นเรียกว่าอยู่กับอารมณ์นะอยู่กับความคิดอยู่กับความปรุงแต่งของจิตนะอยู่กับเหมือนกับที่เปรียบเทียบอยู่กับเสื้อผ้าไม่อยู่กับเนื้อหนานที่แท้จริงมันอยู่กับสิ่งภายนอกนะดังนั้นการอยู่ปัจจุบันไม่ใช่ไม่ใช่อยู่กับอารมณ์เช่นนั้นแต่เป็นการเรียกว่าออกมาเห็นครมณ์หรือจะพูดให้ถูก พูดให้ถูกเข้าใจถูกชัดก็ไปในภาษาจะใช้คำว่าอยู่เรียกว่าเห็นปัจจุบันที่เกิดขึ้นอาจจะถูกกว่าเราเรารู้ได้ว่าปัจจุบันนี้มีอาการอะไรเกิดขึ้นกับการกับใจแต่ไม่ได้อยู่จะเป็นการเห็นว่าปัจจุบันเนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับกายกาบใจนี้ะถ้าพูดแบบนี้อาจะใกล้เคียงกับสภาวะธรรมมากกว่านะคืออดีตก็ไม่ติดอนาคตก็ไม่ติดแม้แต่ปัจจุบันก็ไม่ติด เป็นเหมือนคนอยู่บนฝั่งแล้วก็คอยมองดูสิ่งต่างๆที่มันผ่านในลำครองในแม่น้าเรือจะผ่านก็ผ่านไปสวะจะผ่านก็ผ่านไปนักตกจะผ่านก็ผ่านไปหมาเน่าจะผ่านก็ผ่านไปดาวเหนือที่อยู่บนฝั่งแล้วก็ดูอากาศที่เกิดขึ้นที่มันผ่านเข้ามามันเหมือนกับเราดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไป จะอารมณ์ร่ารอดปวดหลงสุขทุกข์ดีใจเสียใจก็เห็นมันเป็นทางผ่านก็ผ่านไปหน้ า, ท, า, ท, า, ท, า, ท, าที่ของการมีสติคือเป็นผู้ดูอารมณ์อยู่นเนื่องๆนะดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับการกับใจเนี่ยชัดเจนทางผ่านเรื่อยๆอันเนี้ยถ้าเรามีสติอย่างชัดเจนนะมันจะเป็นแบบนี้นะเราพยายามระลึกรู้อยู่เสมอเมืม่อเราเราก็รู้อยู่เสมอตรนเนี้ยมันจะเกิดสติแต่ก่อนมันเป็นสติที่เรียกว่า จริงแบบเจอๆตับๆนะเหมือนไฟนีออที่มันที่มันค่อนข้างจะเสียมันจะพิก็พิบก็พิบตลอดเวลาแบบไม่สว่างแบบเนี้ยแต่อีกตรงนี้มันก็จะพลิบอยู่แต่มันถีนะแต่นีออที่มันจะเสียนะสตาร์ทเติมไม่ดีบัรลาไม่ดีหรือว่าตลอดมันไม่ดีมันก็เรียกว่ามันมันไม่สว่างแบบเป็นธรรมชาติแบบนี้นะมันก็เป็นแบบนั้น บางทีจิตเราบางทีมันหลงบ้างลืบบ้างนะมืดบ้างสว่างบ้างนะมันก็เป็นเช่นนั้นแต่พอเราฝึกไปเรื่อยมันเหมือนตอนนี้นไปที่มันสวา่างขีดขี่ต่อนเนื่องมันเหมือนสวาา่างตลอดเวลาเช่นนั้นสติที่เราฝึกไปดักแด่มาจจะวันหนึ่งละลึกได้ไม่กี่ครั้งนะยกมือสร้างจังหวะสิบสี่ลอเออสิบสี่สิบสี่ท่า อ, 14 14อาจจะลึกได้เป็แค่ ไม่กี่ท่าเพราะว่าบางทีไปอยู่กับความคิดจ็มากกว่านะั่หรือก็แล้วแต่บางช่วงตกางบางช่วงก็เลิศดีบางช่วงก็เลิกไม่ดีไปอยู่กับความคิดนะแต่พอเราทรําไปเรื่อยๆท่า น, นี้ยเออมันจะเกิดความรู้มากขึ้นนะแต่ก่อนความหลงมันมากความลือมันมากแต่ต่อไปถ้าฝึกไปเรื่อยๆเอ้าความรู้มันมากขึ้นความงมันมากขึ้นนะเราก็ต้องหาอะไรเทคนิคนะีในกา ร, รทามมี่ว่าทําให้เกิดความรู้มากขึ้น จะทำแบบไหนก็ขอให้เราได้ลองพิจารณาแล้วก็ดูที่กายที่ใจของเราเองนะอย่างเรายกมือสร้างจังหวะเราเดินจงกรงนั้นเราลองสังเกตเรายกแบบไหนเรายกจังหวะเร็วช้าขนาดไหนกระทบแรงเบาขนาดไหนมันเกิดความตื่นตัวรู้ตัวพอดีนะมันเกิดสภาวะที่ดูพอดีหรือไม่แต่เรื่องของการวางใจะเช่นเดียวกันการวางใจก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะนะ จิตใจของเราวางแบบไหนนะท่าทางของการวางใจก็มีนะไม่ต่างแต่ท่าทางของการวางหน้าวางตานะใจมัเครียดไหมสังเกตมันจ้องไปไหมนะมันมีจังหวะที่เหมือนแล้วการหนังสือเราก็จะดูว่าระดับสายตางเรามันยาวมันส้นใช่ไหมเออเราก็จะวางหนังสือมือคอดีกับระดับสายตาในการอ่านในการวางใจในการเขียนอารมณ์ก็เช่นเดียวกันมันจะมีระดับขึ้นมัน พอดีระดับเช่นพอดีที่มันเออเหมือนทำให้รู้ด้วยพอดีไม่ไม่ไม่เพ่งไม่จ้องเกินไปนะไม่ตั้งใจไม่กําหนดเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ปรเภทแบบใจลอยปล่อยไปเลยนะก็ไม่ใช่เช่นนั้นมันมีจังหวะที่มันพอดีอยู่ทุกขณะของมันแต่ที่แท้แต่พูดแบบนี้นะมันก็จะสับส่วนอยู่บางอย่างเพราะว่ามันจะกลายเป็นบางทีเราก็อยากจะหาความพอดี แต่แ ท, ท้จริงแล้วมันมันกับเสียเวลานะเดินสวดจนมาก็เคยพยายามจะหาความพอดีตรงนี้นะหาความพอดีในการที่จะรู้สึกตัวในะรู้สึกตัวเป็นแบบไหนเนาะพยายามหาหาห า, หาเราไปหาความพอดีที่ไหนที่ความคิดนะไปหาความพอดีแบบพยายามจะมองหาอะไรก็ไม่รู้นะแต่ที่จริงแต่้จริงแล้วมันไม่ใช่การหาความพอดีแต่เป็นเป็นแค่การสัมผัสกับสภ า, าวะตรงนั้นมันพอดีของมันเอง เช่นสัมผัสกับสภาวะที่นี่กายมันสัมผัสกันเอ้ามันพอดีของมันเองมันรู้เองไม่ต้องไปหาแต่มัเหมือนอะไรที่มันสะท้อนให้รู้ขึ้นมาเองนะหรือว่าการพอดีที่เห็นความคิดเห็นจิตมันก็พอดีในการรู้ของมันเองมันคือความพอดีตัวนี้มันเหมือนไม่ต้องหาแต่มันสามารถสัมผัสได้ว่ามันพอดีของมันแต่สิ่งที่เราควรที่จะต้องรู้ให้มันชัดก็คือว่าสภาวะที่มันไม่พอดีเนี่ย คือสภาวะที่มันเพ่งมันจ้องมันบังคับมันเป็นแบบไหนสังเกตใจของเราเวลามันเพ่งมันจ้องมันจะเอามันสุขหรือมันทุกข์นะมันสบายหรือไม่สบายแล้วก็ดูนอ๋อใจที่มันเพ่งจนไปมันมันมันทุกข์เนาะอ่ามันอึดอัดเนาะมันไม่สบายเนาะพอเราเห็นอ้อใจนี้ไม่สบายแล้วก็ปลอยคลายของมันเองนะบางทีเห็นใจเนี่้งซานทั้งวันเลยคิดนั่นคิดนี่ทั้งวันเลยอ่า ไปจะไม่รู้แต่สะพัดมากมายเลยอ๋อมันคิดไปมยืมไปมันหลงไปห้องัทุ่งท้างไปนะเนาะคือใจมันลอยไปเหมือนเหมือนเบ้าที่ไม่ที่เชื่อมขาติดลมบนมลอยไปตกไหนก็ไม่รู้เว่าความคิดจะพาจบไปนะทีจะเรื่องทีจะสอนเรื่องสามเรื่องไปนะพอเรารู้ทันสภาวะที่มันไม่พอดีสภาวะที่มันหลงไปคิดหรือสภาวะที่มันเพ่งไปมันจ้องไปมันจะพอดีกับมันเอง เมื่อาทอสมาก็เปรียบเทียบเหมือนคล้ๆท่าไลว้น้ำที่เขาไหว้แข่งกันมันก็จะมีลูกเป็นเชื่อที่เป็นลูกทั้งสองฝั่งบางทีเราไหว้ท่ากระเชียนนะไหลหลังนี่นะเราก็มองไม่เห็นน้ำนะอแต่เราก็ไปสัมผัดไปแตกกับลูนะมันก็สามารถกลับมาทําการได้ถ้าใครรู้มันไปสุดฝั่งต้ายสุฝั่งขวามันย่อมกลับมาตรงทางสายกลางพอดีของมันเอง การเดินทางทางจิตก็เช่นเดียวกันนะไม่จำเป็นต้องไปหาความพอดีแบบเหมือนเป็นไต่เส้นเชือกมันเป็นแบบนะั้นแต่จีตมันเหมือนลูกมันเหมือนทางซึ่งมันเดินสามารถเดินได้สบายนะไม่ต้องเดินแบบลำบากขรุขระอะไรมากเลยนะเพียงแต่ว่าพอเรารู้ทันว่ามันสุดโต่ไปมันโดนทางไปมันจะกลับมาพอดีเะนั้นขะาดสายการนะหรือความพอดีของการวางใจมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปหา แต่พี่นสัมผัสให้ได้ว่าสภาวะตรงนี้มันรู้ตัวมันตื่นตัวมันออกจากความหลงนะมันรู้ชัดว่าตายมังทําอะไรมันรู้ชัดว่าใจกำังเกิดอาการอะไรเกิดขึ้นตายนี่คือความพอดีเกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นขาดสายตาในการที่จะเดินทางตามพอจะเดกปัะธานสี่ก็ดีหรือจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นการเจริญอะรียมาร์กวีอมแปดก็ดีนะมันเป็นทางซึ่งมันเกิดจาก ตัวสติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะถ้าเรามีสติเราจะสามารถจะรู้เลยว่าภายและก็ใจนี้มันมีอาการเช่ไนไรนะจิตใจ ก, จออกจ็จะออกจากความหลงออกจากความทุกข์ได้นะไปด้วยกันเนันะเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในคลิปตาเดียวนะแค่รู้ทุกขอย่างแก่มแจ้งนะสมมูไทรือกาเหตุความทุกข์ก็ดับไปก็ลัไปความไม่ทุกข์ก็ปรากฏขึ้น เป็นบนทางที่เรียกว่าได้เดินอยู่ทุกขณะต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันอันนั้นธรรมะนะจะมีมากขนาดไหนนะมันก็เป็นเรื่องที่รวมลงที่เดียวกั น, นรวมลงที่เดียวกันถ้าเราดูดีๆอะไรเป็นไปเพื่อความออกเส็ยทุกอะไรเป็นไฟเพื่อความสระกิเลสลดจะดับกิเลสอะไรเป็นไปเพื่อพลัน เราก็ดูที่ไหน ด, นะดูที่ใจของเราเลยนะคที่ใจของเราว่าทุกมันน้อยหรือทุกมันมากทุกมันลดหรือทุกมันเพิ่มทุกมันหมดหรือทุกยังมีอยู่เราดูตรงเนี้ยเราดูนี้ก็จะเห็นเลยว่าสภาวะเนี้เป็นตัวตรวต่อบเราเพราะอาการของเราได้อย่างแท้จริงนะอันนั้นเรื่องของเรื่องของการวางใจในการปฏิบัติธรรมก็เลยเป็นเรื่องเรื่องที่สําคัญมากนะให้พวกเราได้ลองดู อยู่การวางใจของเราในการเจริญสติหรือในการใช้ชีวิตก็เช่นเดียวกันเราสามารมีสติในการใช้ชีวิตได้จะกินดื่มขับถ่ายหรือจะทำการทำงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราวางใจเป็นความพูดของนจะน้อยอยู่แทกจะไม่มีแต่ถ้างานไหนเราวางใจไม่เป็นคาดหวังสิ่งที่คาดหวังไม่ได้หรือบางทีเปตั้งใจจะเอา ตรงนี้ล้วก็ไปยึดเป้าหมายจนกรทังมือว่ายึดแล้วมันทุกขใจนะั่พอเราเห็นแล้วมันเป็นเช่นนี้เองความคลั่นหวังความยึดความอยากมันนำมาซึ่ความทุกข์ใจแล้วพอดูถานในะนะแต่เราทํางานแบบมีเป้าหมายนะเราทำงานแบบมีจุดหมายในชีวิตนะทํางานก็มีจุดหมายของการทํางานแต่เปี่ยนแต่ว่าในขณะที่ทําเราทําด้วยความปล่อยวางทำด้วยความวางใจ ทำด้วยความสุขใจในสิ่ที่ทำนะะไม่ใช่ทําแบบไม่มีเป้าหมายจะเป็นว่าการเดินทางสู่มรรคผลนิพพานก็เหมือนกันเราก็มีมรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมายเนชีวิตแต่ขณะที่เราเดินทางเราไม่ใช่เป็นคนที่ตะโกนถามหามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนไม่ใช่เป็นคนทิ้งบ้านเช่นนั้นนะเราก็รู้ว่าเนี่ยมันสามารถสัมผัสได้ไม่จะเป็นต้องร้องหาไม่จะเป็นต้อง ข้าคตัวอยากอรียนจินใจตลอดเวลาแค่เราสัมผัสกับตัวตนทีแท้จริงของเรานะก็คือสัมผัสกับความรู้จักกายและใจแท้จริงเราก็สัมผัสได้ว่าคนนิพพานมันไอยู่ตรงนี้อยู่เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องไปรอที่ไหนไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลมันอยู่แค่การรู้เท่ากันกายและก็ใจของเราเองเมื่อการรู้เท่ากันของกายและก็ใจเ่าถอนความพอใจในติมต่างๆได้ อากาที่ถอนความพอใจความไม่พอใจต่างๆได้นั่นแหละคือสภาวะที่เรียกว่าคนิพานก็คือความไม่ทุกข์ก็คือความสงบเย็นเป็นอาการเด่นไปเลยมยนะเราสามารถสัมผัสได้ในตอนนี้ในเดี๋ยวนี้เลยอันนี้คือเรื่องของของการเจตติปทานสี่นะอันนี้ก็คูดให้เราเข้าใจโดยยอ่อเพราะว่ามีทีมหลายคนศึกษามามาก หรบางคนไม่รู้จะตัง้งต้นในการปฏิบัติในการฝึกหัดจิตใจของเราอย่างไรเพราะว่ามันมีหลายทางมากเกินไปแต่นี้คือสิ่งที่เพื่อญาท่านสะดวกให้พวกเราให้เห็นชัดว่านะสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกนะเป็นทางที่จะช่วยให้เราออกจากความทุกข์ได้แล้วสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางที่เรียกว่ารวมคุณธรรมต่างๆเข้ามานะเป็นรวมบา ร, รมีก็ว่าได้ บารมีต่างๆที่จะสะสมไปสู่ความสมทูกณ์ได้อย่างแท้จริงมันก็รวมมาจากตรงนี้นแหละนะไม่ต้องไปกังวลว่าทําแบบนี้มันจะมีผิดไหมมันมีนะถ้าเรารู้ทันความคิดรู้ทันจิตใจรับรองไม่มี็ผู้รู้ผิ ด, ดนะไม่ไปกระทําผิดแน่นอนเพราะว่ามันตัดที่ต้นตอนของความคิดนะมันตัดความคิดเป็นไม่ได้นะมันเป็นสินของมันเองนะมันอย่างที่มา เราพยายามาก็เทียนในเรื่องสูตดีนะเลือกกิดสิ่เรื่องอื่นแเชเนในการเรื่องกินเหล้ามันก็มีมือที่ต้องต่าให้เทเหล้าให้ไปหยดบเหล้าให้ดื่มเหล้ามันก็เป็นเช่นเดียวกันเรื่องของความคิดนะเรื่องจะไปด่าคนอื่นจะไปทำร้ายคนอื่นเช่นเดือวกันมันเกิดที่ความคิดเกิดที่จิตก่อนถ้าเรารู้ทันก็เราโกรธอยากเดไปทํำร้ายคนอื่นเดากไปด่าคนอื่นมันทําไม่ได้นะเพราะมันเห็นที่ความคิดมันตัดที่ความคิดก่อน เหมืนกับเห็นรากเล่าของต้นไม้รากเล่าของยามันก็ถอนออกมาทันทีอันนี้คือมันเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของจิตใจพอเรารู้ทานตัวนี้แล้วมันก็ถองได้มันไม่ผิดศินแน่นอนแต่ศีลเบื้องต้นบางคนรักษาก็ยแย่ยากนะศีลห้าเขาสูงยากมันบาเหลเกินทําไมโคกโขกก็ไม่ได้นะนะฟื้นความจริงขึ้นนึงไม่ได้หรอมันรู้สึกว่าการพูดความจริงทั้งหมดเป็นเรื่องลำบากนะ การเปิดเผยเป็นงที่ง่ายกว่านะหรือว่าการทําอะไรตาใจมันเป็นสิ่งที่ที่เรียกว่าสบายกว่านะก็มีนะเคยถามบางคนนะครับนะทำไมเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาก็ทําคิดก็ทําชั่วมันสบายกว่าการทําดีการทํนะาบุญันะปไปสิ่งที่ทํายากนสําหรับนะเขานะ เขาบอกเพราะถ้าเขาทำชั่วทําไม่ดีแล้วก็ารู้สึกมีความสุขมีความสุขเนี่ยทำง่ายสบายเนี่ยพูดค่อยๆไปทำงา่ายดีทำํำในสติไทยแกล้งไทยสะดวกดีแต่การที่ต้องยั้งใจในคำพูดยังใจในการกระทํามันเป็นสิ่งที่ลำบาก ข, ของเสือเขาแต่จริงเขาทำทำไปที่นั่นที่นี่เขาก็หวังที่จะมีความสุขนั่นแหละนคนทําดีก็หวังจะมีความสุข คนทําไม่ดีก็หวังที่จะมีความสุขแท้ทจริงแล้วจิตหมายคนทุกคนหรือสัตว์ทั้งหลายก็อยากมีความสุขเนี่ยเด็นว่าวิธีการหาความสุขแต่ละคนมันแตกต่างกันบางคนหาความสุขจากการทําประโยชน์กับตนเองทาเดียวกับคนอื่นบางคนหาความสุขจากการทำไม่ดีกับตนเองทำไม่ดีกับคนอื่นมันก็เป็นวิธีที่แตกต่างไปแต่แท้ที่จริงแล้วทุกคนต้องการความสุขเด็กพินเดียวว่าความสุขของบางคนเป็นความสุข ที่มันเป็นความสนุกสนานเป็นความสุขที่ไม่แท้จริงเป็นความสุขที่อาจจะนํามาซึ่งทุกท้อทายตามมาด้วยนะแต่เราเป็นผู้ที่ต้องศึกษาเรื่องของความสุขให้แท้จริงนะความสุขมันต้องเป youth youth <Yes. S 1> ็นความสุขที่เกิดความสงบเย็นกับจิตใจของเราแล้วก็เป็นความสุขที่เกิดประโยชน์กับผู้อื่นด้วยนะไม่ใช่เป็นความสุขที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอันนี้ความสุขเกิดจากความที่จิตใจเกิดความสงบเย็น ทำไปแล้วมันเย็นใจจริงมันไม่มีอะไรที่จะมาตำหนิตัวเองได้ไม่มีอะไรต้องระแวงเช่นสมมติเราโกหกใครเนะี่ยเราก็ต้องระแวงว่าเราจะพูดเผือพูดความจริงออกไปไหมมันก็มีนะมันต้องจําว่าเราโกหบคนนี้ว่าอย่างไรนสมมุติบางคน น, นี่สมมติบางคนมีแฟนแล้วไปโกหกว่าเขาไม่มีแฟนไปจีบคนอะื่นต่อใช่ไมันก็ต้องจําได้ว่าเออ กิ๊กคนที่ต่อคนที่ตามเอย่าไปรู้กันนะมันโกหกมันก็ไม่สบายใจใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่พอเราทําสิ่งที่ผิดมันก็ถือก็ไม่สบายใจเราไปทําร้ายคนอื่นก็กลัวว่าแก๊คําคในเบญจะมาเมื่อไหร่นอกนะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สบายใจนะแต่ถ้าเรารู้ความจริงว่าเราบรยสุดแล้วมันก็สบายใจแต่คราวนี้บางทีพอเรามปฏิบัติธรรมบางทีเรารก็เกิดอาการที่เรียกว่ากลัวบาดนะ กลัวาบากเพราะว่าบางทีเรายึดได้ว่ากลัวจะใจ ช, ชีวิตถึงตอนเนี้ยเราทําบาปพอสมควรเราทำกิจบัวสมควร เ, รวรเรวรมื่อใดเจ้ากับมนายเวจะมาได้งานนอเมื่อใดผลของกรรมจะเ ก, กิดขึ้นนอแล้วก็กลัวไปล่วงหน้าตรน้นะเพราะว่าทีแต่ที่จริงนะพอเรามีการภาวนามีการฝึกใจเราจะรู้เลยแหละไม่ต่าไมก็รู้ว่าทำํำวิธีมาหลายอย่างกันในชีวิตนี้ แต่มันจะมีความรู้อีกอย่างคือความรู้ตัวว่าจะทําใจได้คือวิบากกรรมจะเกจดขึ้นอะไรกับกายกชีวิตนะจะมีปัญหามีอุปสรรคมีโรคภัยเกิดขึ้นกับชีวิตแต่มันจะมีความรู้หรือมีความมั่นใจอีกอย่างที่มาบอกว่าเอออะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรลนะสมมุติว่าาถ้นะเข้ากรุงเทพนะรถชนกันบาดเจ็บหรือจะตายเรนะวก็รับได้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่อง เรื่องของกรรมที่มันจัดกรรแล้วนะเรื่องวิปา ก, กรรที่มันเกิดขึ้นแล้วออีกสิบปีข้างหน้าจะเป็นมะเด็งก็ได้อ่าเป็นมะเด็งแลัวก็เออก็เป็นไปนะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในเรื่องที่มันจัดกรรแล้วไม่นหนีไม่ได้รับกรรมนี้ใช่ไหมอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่พอเราฝุกใจมันจะเกิดการวางใจวางใจทั้งเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวางใจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันจะมีความวางใจเช่นนั้น คือบางทีบางคนกลัวบาปกลัวกรรมนะก็คิดว่าต้องไปถอดข้อต้องไปแก้บาปแก้กรรมไปแต่แกนกรรมไปแก้กรรมอะไรต่างๆมากมายกลัวบาปจะไม่รู้ว่าบาปที่แท้จริงมันอยู่ตำหน่งไหนนะมันไปแก้ได้จริงหรือเปล่าถ้าแก้ได้จริงนะ่าจะมาว่าโมันโรคนี้มันผมไปแก้กันก่อนเาผมไม่ต้องมีบาปมีกรรมอะไรกันแลนะไปล้างได้หรือเปล่า ไ, ไปจัดระคายบาปได้หรือเปล่านะมันอย่างสมัยก่อนนะ บางทีคนสมัยก่อนก็นไม่ค่อยรู้นะที่จริงคนสมัยนี้ก็ให้ค่าสมัยก่อนอ่ะอย่างความเชื่อของครามสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าต้องไปอาบน้ําในแม่น้ําคงคาเป็นแม่น้ํำสติถ์อาบแล้วจะชำระบาปได้ชำระกรรมได้ทุกเช้าที่ปราราณีศีหรือที่ไหนที่มีท่านในคงคาคนก็ไปอาบน้ำํำจนเยอะแยะมากมายแต่เย็นบ้าแต่แท้จริงแล้วถ้าเป็นเช่นนั้น กุ้งหอยกูปลาที่อยู่ในน้ํานะหรือหมาเน่าหรือศพที่มันตายไปก็คงล้างบาปไปได้มากกว่าเรานะเขาเกิดในน้ํำอ่าแล้วเตือนเติบโตในน้ำแล้วก็ตายไปในน้ํามันก็เป็นอะไรบางคนเราก็ไม่ทันได้คิดนะเขาบอกว่าติดก็ตติด ต, ต, ตามเขาอันนี้ก็เหมือนกันนะเรื่องของชีวิตจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราเห็นอ๋อถ้าเราวางใจไปนะเออสิ้นก็ไม่ใช่เรื่องยากลำบากเลย แต่ก่อนเราเหมือนต้องรักษาศินนะแต่ที่จริงพอสุดไปแล้วพอแค่เกิดสติสติมันเป็นตัวรักษาศินของมันเองไม่ต้องพยายามรักษาศินนะสินคือเจตนาในการไม่กระทาําผิดอย่างที่เราได้ส่วดโนบายน่ม่เป็นเจตนาเจตนามันก็ไม่เกิดจากต้องฝืนใจอะไรมันเป็นความสุขใจที่ได้ทำํทำที่ทำไปศิลก็เกิดขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นแน่นอนสมาธิคืจิตสงบจิตตั้งมั่น นะมันก็เกิดตัวรู้นัเกิดขึ้นมันเป็นสมาธิปัญญาการเข้าใจความจริงก็เกิดขึ้นแน่นอนนะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นองค์ประอที่เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความเสียตละนะไม่จะหนีที่เหนียวนะเกิดการให้ทางให้ได้ทั้งวัตถุทานให้ได้ทั้งอภัยทานก็ให้ได้นะนะบางคนสละได้แต่ทางภายนอก แต่ไม่เตยสระาทางภายในเลยนะไม่เคยสร ะ, ะความโกรธเพื่อนไม่เตยสระความไม่ชอบเพื่นนอนดลงานอย่างี้จะมีนะสราออกไม่ได้แต่ให้สิ่งของอื่นให้ได้ทำบุญทำทานให้กับพระทีก่กบวัดให้ได้แต่ไม่เคยสระสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจกองเราเลยเก็บไว้นะเก็บความทุกข์ไว้เก็บกิเลสไว้ในใจ แต่ถ้าเราเห็นจริงจริงโอ้ไอ้ตัวนี้เป็นทางที่มันสูงขึ้นไปอีกนะก็คือความศรัทธากีเออกจากจิตใจศรัทธาความยึดมั่นถือมั่นในจิตใจเนี่ยมันเป็นทางที่ถูกขึ้นไปแล้วก็จะทําทางถูกติณก็จะถูกสมาธิก็ถูกปัญญ า, าก็ถูกนะมันเป็นไปในทางที่ถูกทำนะถูกทางมากขึ้นอันนี้เนาะเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจในการใช้ชีวิตในการฝึกขัดปฏิบัติของเรานะ อาตมาก็จะพูดเหมือนเหมือนเป็นหลักเป็นการทฤษฎีนะแต่จริงไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยมาก็พูดอย่างพวกเราเข้าใจในแง่าเหมือนมันเป็นหลักการที่สําคัญถ้าพวกเราจับหลักนี้ได้การเดินทางก็จะไม่เนื่อยช้าไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปนค้นหาหลักอะไรมากมายเริ่มต้นจากการดูใจเินใจของเราแหละอย่างตอนนี้นะ ดูแบบเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้นะไม่ได้เข้าไปอยู่กับอารมณ์นะรู้ทันที่ปัจจุบันทําที่เกิดขึ้นนะเห็นอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันตรงนี้ก็ดูมันไปนะแต่บางทีก็จะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรต่างๆไปก็ค้นคอยใช้สติปัญญาแนะก้ไขเนาะก็จะจะค่อยๆเพิงเรื่องเทคนิควิธีการในการออกจากอารมณ์วิวั์ต่างๆข้อนําเป็นแบบไห น, นจะออกได้อย่างไรนะ เจอแต่วะอารมณ์แบบนีนะ้จะต้องแก้จะต้องผ่านขึ้นแบบไหนนะเดี๋ยวก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปเนาะไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องเรื่องเหลือวิสัยนะพวกเราสามารถทำได้ทุกคนเนาะก็ชาวนี้ก็คงพอสมคว ร, น, รนะเวลานะ